บ้านเมืองความเป็นไป ส, สิ่งแวดลอ้อมเปลี่ยนไปเรื่อยของในในพวกเรานี่ก็เหมือนกันนะการภาวนาบรรยาศาสตร์ในทางภาวนาทางปฏิบัติของเราก็เปลี่ยนไปมากถ้าใครเคยมาเมื่อสมัยสักหลายปีก่อนที่หลวงปู่เทศยยังอยู่เนี่ยจะเห็นทีเดียวว่าสภาพ ความรู้สึกสิ่งแวดล้อมบรรยากาศของการภาวนาในวัดเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากทีเดียวสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่นั่นเอาจริงเอาจังมีความเข้มข้นสนอกสนใจที่จะภาวนาปฏิบัติเข่งชักจริงจังตัว น, นี้มากทีเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ว่า สมัยนั้นสมาชิกลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่ที่มาภาวนานตรากฏได้รับคนดีปรากฏภาวนาเป็นสมัยนั้นทีนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นว่าดีเนยมันเคลื่อนต้อยไปมันไม่ตรงอยู่มันเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดก็คือพยายาม ฝึกหยุดฝึกใจของตนให้มันลงสู่ลักษณะความสงบความสำรวมอย่างนั้นให้มีนิสัยอย่างนั้นใหน้นิสัยรักความสงบยินดีกับความสงบถึงแม้ว่าบรรยากาศภายนอกจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นชุลมุนมีกิจกรรมกิจการเกิดกระเดิให้ทั่วไปหมดแต่เราให้พา ย, ยายามรักษาความนิยม ในใจของเราไว้ถ้าเราไม่รักษาไม่ระมัดระวังใจเราความรู้สึกของเราก็เย็นดีน้อมไปื่อยจะเป็นเหมือนเขาเนีย่ยแหละมาภาวนามาวัดมาวาแล้วมาถยูที่สงบให้พยายามน้อมสนน้อมใจน้อมกายประจารเรียนพูดฟังสงบอย่าไปเที่ยวหาเที่ยวพูดเที่ยวคุยกันบางคนมาไม่อย่างนั้น มาแล้วไปเสียวหาอะไรกิจกรรมต่างๆมาทาให้มันเกิดมีเหตุมีจิตมีการมีงานอย่างอื่นอีก้ามางานภาวนาก็เลยไม่ได้ทำทำก็ทำหลอกนิดๆหน่อยก็เลยเป็นงานอดิเลกไปลองพิจารณาดูตัวเองเรื่อยๆการที่ท่านพูดว่า คนไม่ควรประมาทนั่นก็คือให้หมันดูตัวเองนี่แหละเพราะว่ามันเป็นต้นสายของสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้มีสติคือควารมระลึกมาดูตัวเองเนี่ยมีสัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาอันนี้แหละมันจะทําให้เรานี่สามารถรักษาความดีต่างๆที่เราเคยมีอย่างเช่นความนิยมจิตใจที่น้อมไปเพื่อความสงบแต่ช่านก่อนๆที่เราเคยได้ เคยความสงบเคยินดีในความสงบ ม, มันจะคืนมาถ้าเราไม่น้อมกลับขึ้นมาไม่ชีินิ่นานเรื่องต่างๆเหล่านี้เลยมันก็ฟุ้งผ่านไปกับเขามันก็เพ้อเพลินไปกับเขาชอบกิจกรรมชอบกรริจการชนลมุนคุ้นวายเหมือนเขานี่นแหละนึกว่านั้นเป็นเรื่องสนุกสนานดีการพูดการคุยกับพูดคุ ย, คยปุ้งเนี่ยต่างกันมากกับสมัยก่อน นี่ยจะเห็นความดีต่างๆที่เราเคยมีเคยได้ครูบาอาจารย์ของเราที่พาทำมาแต่ก่อนอมดีทั้งนั้นเราพอถึงตอนนี้แล้วถ้าเห็นว่ามันสิ่งเหล่านั้นที่เราก็เคยดีแล้วมันก็ลดหย่อนไปแล้วก็จะได้มีสวนขวายทํากับขึ้นมาการพยายามลงสู่ความสงบอยู่เรื่อยนี่แหละเป็นการรักษากําลังของใจ เราเดินจงกรมก็ดูนั่งภาวนาก็ดีเมื่อออกมาแล้วสู่ความอยู่เป็นปกติเนี่ยเราก็ต้องทรงสติทรงสัมปชัญญะคือความหมั่นรู้ตัวอยู่เรื่อยรู้ใจสรมผองอยเรื่อยว่าใจเราสงบสีหมั่นเฝ้าดูมันอยู่เรื่อยอย่างนี้เรียกว่ารักษาไว้เรื่อยสติสัมปชัญญะความสงบนั่นก็จะทรงอยู่นานเราก็จะได้รับความล่มเย็นอยู่นาน นี่เรามาเอากิดจกรรมกิจการใหม่เอานิสัยใหม่ก็พูดชอบคุยก็บหาเรื่องมาทํำมันก็สงบสี่ยพอออกมานิดเดียวมันก็ละลายหมดเหมือนอย่างเขาเอาน้ําแข็งออกมาได้น้ําแข็งมาต้อนนึงเนี่ยเขาออกมาจากตู้เย็นแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บรักษาไว้ในกระจิกน้ําแข็งมันก็ยังอยู่ได้นาน เาน้ำแข็งมาแล้วมาอยู่ในบรรยากาศเนี่ยยิ่งอากาศร้อนเนี่ยเสี้ยวเดียวลลายหมดให้คืนผนเอาสติคือความระลึกเนี่ยกับคำพันสัญญาความรู้ตัวเนี่ยเอาสองอันนี่แหละไว้เป็นเครื่องประคับประคองสมาธิประคับประคองจิตจะของใจจะของให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้มันสงบให้มันสำรวมการสำรวมมีเป็นนิสัยของผู้ที่เจริญนะ จิตที่เจริญแล้วฝึกฝนดีแล้วเนี่ยจะมีฌานสำรวมสำรวมนี่ก็คือระมัดระวังไม่ทําในสิ่งที่น่าอับอาไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาสนั่นหลักคือสำรวมในความหมายของพวกเรานะักปฏิบัตินะ่สิ่งเหล่านี้พูดก็พูดให้ฟังเฉยๆหรอกแต่ว่าจะเอาไม่เอาเน่ยบางคนก็นึกรําคาญอยู่พูดบ่อยต่อไปไปหน้า พออาจจะได้ประโยชน์ก็ได้การที่พูดพูดมาเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีการพูดหรอกอย่างนี้เนี่ยใครว่าพูดตรงนี้มันก็เป็นบุคคลโบราณเขาไม่พูดกันแล้วอย่างนี้ น, นั่นไม่สนุกสนานอะไรเลยมีแต่รู้สึกกดขี่ข่มเหงจิตใจตจ้าของที่อยากกะโดดโลดเต้นแต่ถ้าผู้ที่ต้องการจะลงสู่ความสงบรับความสงบเมื่อใดเลยเราก็นั่นแหละที่จะเป็นประโยชน์ ลองพิจารณาดูนะถ้าคิดไม่ออกก็ลองย้อนไปวันเก่าๆนู้นสิปียี่สิบปีสามสิบปีถามมาแล้วนู่นน่ะเราลองนึกถึงสภาบที่วันนู้นที่เรามาฮะวันแรกที่เรามาบัติมักเป้งเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกมัน้ล่นเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเล่นนะครับแห่งการตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่มีหรอกเล่นยหยอกๆใหญ่ๆเล่นๆหัวหัวกันอยู่ไม่มี มาแบบนี้มันเปลี่ยนไปถ้าเรายังรักดีแบบครูบาอาจารย์ผาดีนะถ้าเรารักดีแบบนั้นเราก็ต้องรื้อเอาพื้นเอาแบบนั้นหลับมาขอพุทธปฏิบัติมารักมาชอบมานิยมทำแต่ เ, เราไม่รักดีแบบนั้นรักดีแบบสมัยใหม่ต่นก็กอบหมดกันแค่นั้นก็ไม่เนี่ยจงไปเอาก็ได้แล้วก็เอาแบบใหม่เลยให้ที่แสดงว่าเนียสิ่งเหล่านี้มัน นานๆจึงจะมีคนพูดหรอกแต่วัดเรานี่หมู่นี้พูดมากพูดเยอะนี่ต่อไปจะเลิกพูดเพราะว่ามันคนรนการหลายคนแล้ว